สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระกับผมโสพลสาทรสำเร็จผลอย่างนี้เป็นประจำช่วงนี้นี่ก็ค่อนคอนไปเลยกลางเดือนมิถุนายนละหลายแห่งคำว่าหลายแห่งหมายถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่งหรือแม้กระทั่งโรงเรียน อีกหลายแห่งก็อาจจะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งก็เรียกกันว่าเป็นกิจกรรมรับน้องอาจจะกิจกรรมน้องใหม่สัมพันธ์กิจกรรมอะไรก็ตามแต่ละคนโบราณนี่เวลาเขาพูดกันถึงเรื่องกิจกรรมรับน้องนี่ช่วงหนึ่งภาพของการรับน้องที่รุนแรงมันก็จะโผล่ขึ้นมาในมโนสํานึกขึ้นมาทีเดียวเหตุผลที่เรามีเรื่องที่ ที่รับน้องแล้วก็รุนแรงมันอาจจะมีที่มาที่ไปตามระบบที่เรียกกันว่าโซตัสคำว่าโซตัสเนี่ยเราใช้ทับศัพท์กันมาจนเลยไม่รู้จะหาคำไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการนำอักษรของภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยนะในคำห้าคำเนี่ยเอาอักษรตัวแรกมาเรียงเป็น SOTUS ก็จะเป็นอย่างนี้ใน โซตัส5าคำนั้นเนี่ยมีปรากฏอยู่ในหนังสือเฟรชชี่รุ่นโบราณจากห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งต้องนับว่าเป็นต้นกาเนิดของระบบโซตัสในประเทศไทยก็เป็นไปได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าประวัติของการรับน้อง ภายใต้ระบบอาวุโสที่เรียกว่าโซตัสนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่บอกว่านำเอามาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเป็นโครง4สุภาพซึ่งปรากฏอยู่อย่างที่ว่านีนะครับถูกผูกไว้เป็นโครง4สุภาพ S แรกคือ Seniority Seniority คือการเคารพผู้อาวุโสการสำนึกในความเป็นน้องซึ่งก็เพิ่งจะเข้ามา อย่างน้อยก็อ่อนอาวุโสกว่ารุ่นพี่อ่อนทั้งความรู้อ่อนทั้งประสบการณ์นั่นหมายความว่าเป็นรุ่นน้องก็ควรต้องเจียมเนื้อเจียมตัวในความเยาววัยกว่าจึงต้องประพฤติอ่อนน้อมน้อมรับการสั่งสอนจากรุ่นพี่ซึ่งโดยป ร, ริยายมีอาวุโสกว่าทั้งความรู้ประสบการณ์เรื่อยไปจนถึงวัยวุฒิในตัวเสนี้ โครงสี่สุภาพนั้นบันทึกไว้อย่างนี้ว่าต่างคนเรียนต่างชั้นต่างปีเปรียบหนึ่งเป็นน้องพี่ร่วมพ้องพี่แนะสิ่งใดดีใดผิดเจ้าประพฤติสมดั่งน้องพี่นี้คอยเคียงนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราจะตีความจากโครงสี่สุภาพบทที่หนึ่งคือตัว S seniority หรืออาวุโสนั้นเนี่ยก็พอจะสรุปได้ว่า มีพี่มีน้องพี่แนะสิ่งใดดีใดผิดก็แปลว่ารุ่นพี่เนี่ยแนะนำว่าสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันผิดเนี่ยเจ้าประพฤติสมดังน้องพี่หนีคอยเคียงเหมือนกับจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยวัฒนธรรมไทยว่ามาก่อนเรียกพี่มาทีหลังเรียกน้องอะไรเขา อ, อาจจะมีคำนี้แต่นึกไม่ออกว่าจะใช้คาว่าอะไรดีในข้อที่หนึ่ง ทื่ตัวเอสซีเนียหรืออาวุโสการเคารพผู้อาวุโสนั้นเนี่ยคำที่น่าสนใจคือคำว่าเจ้าประพฤติสมดังน้องพี่นี้คอยเคียงมีความหมายลึกๆว่าเจ้าก็คือรุ่นน้องเนี่ยจะทำอะไรก็ให้สมกับความเป็นน้องคือผู้มีอาวุโสที่น้อยกว่าพี่นี้คอยเคียงเขาใช้ คำกริยาว่าคอยเคียงไม่ได้บอกว่าพี่นี้คอยชี้พี่นี้คอยนำหรืออะไรถ้าตีความจากข้อความตรงนี้ก็น่าจะอาวุโสก็เดินเคียงข้างกันไปกับผู้ที่อ่อนเยาว์กว่านี่คือบทที่หนึ่งตัว S ตัวที่สองคือตัว O ซึ่งมาจากคำว่า order ในภาษาอังกฤษ คำว่าออเดอร์หรื อ, อ, อการประพฤติตามระเบียบวิ น, นัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าสังคมมันเป็นจำนวนคนที่มารวมๆกันจำนวนมากพอจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทานั่นเป็นเหตุว่าเราก็ต้องมีผู้นามีผู้ตามเป็นลำดับคนหมู่มากจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้นั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีระเบียบ แล้วก็มีการรักษาวินันมันถึงจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในโครงสี่สุภาพตัวโอออเดอร์นั้นบันทึกไว้ว่าหมู่ชนคนหลากล้นสารพันต่างมาร่วมรวมกันสร้างชื่อวิัยจึงสำคัญมากอยู่เรียนเล่นบ่อมิยื้อนอกล้นกฎเกณฑ์ก็สรุป เป็นคำง่ายๆก็คือคนจำนวนมากมันก็มาจากสารทิศเมื่อมาจากสารทิศถ้าหากมารวมกันเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่คณะแล้วละก็วินัยเป็นเรื่องสำคัญจะเรียนหรือจะเล่นก็ตามแต่เนี่ยนะก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์มาคอยบังคับนี่คือสิ่งซึ่งคนโบราณคิดกันไว้อย่างนั้นมาถึงตัวที่สาม ตัวทีหรือ tradition tradition หรือการประพฤติตามธรรมเนียมประเพณีให้รุ่นน้องมีความภาคภูมิใจในธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านานคุณงามความดีของธรรมเนียมนั้นจะหล่อหลอมจากรุ่นไปสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องทำให้ รู้ว่าอันนี้แหละเราเป็นประเพณีที่เราสืบสืบต่อกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราประมาณอย่างนั้นในโครงสี่สุภาพบันทึกเอาไว้ว่าเจตนาพาสืบทอดสิ่งดีต่างชนคนต่างมีแผกบ้างสารสืบประเพณีคือหนึ่งหลากรุ่นร่วมสรรสร้างต่อเนื่องเนื่นนานแปลว่าถ้าหากว่ารุ่นพี่มี ประเพณีที่ยึดถือกันมาเรียกเป็นภาษาชาวบา้านว่ามีธรรมเนียมประเพณีที่ทำต่อตอกันมานั้นเนี่ยอันบ่งบอกได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็หลากรุ่นร่วม ส, สร้างต่อเนื่องเนิ่นนานหลายหลายรุ่นมารวมกันก็ต้องสร้างสรรสิ่งที่ดีให้ไปอีกเนิ่นนานเขาก็ไม่ได้พูดนะว่าคำว่าประเพณีนี้หมายถึงอะไร คงต้องอยู่ที่แต่ละที่แต่ละทางว่าประเพณีอันนี้คือคือนี้แต่คำว่าประเพณีก็นึกภาพแบบประเพณีลอยกระทงประเพณีวันสงกรานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องที่โบราณสร้างกันมาแล้วก็รุ่นต่อๆมาสืบสานกันต่อไปแต่ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียด ตัวที่4คือตัวยูหรือยูนิตี้ยูนิตี้หรือการเป็นหนึ่งเดียวคือความเป็นเอกภาพความเป็นเอกภาพในที่นี้มุ่งเน้นในเรื่องของความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งไปสู่เป้าหมายหนึ่งเดียวที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกันในบทนี้บันทึกไว้ว่าสามัคคีถือเทิดไว้มั่นคงเลือดหมูจากดำรงสืบได้ บ้านเมืองยิ่งดำรงอยู่ยั่งยืนนาผองพวกรักร่วมไว้ดุดแม้นฝันเฟืองคนที่ไม่เข้าใจว่าวรคที่สองนั้นอบาด ท, ที่สองนั้นบอกเลือดหมูจากดำรงสืบได้แปลว่าไรเอ้นี่คำว่าเลือดหมูนี่คือไม่ใช่เลือดของของหมูไม่ใช่โลหิตสุกรอนนะแต่หมายถึงเลือดหมูซึ่งเป็นสีคือสีแดงเลือดหมูอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคณะ วิศะวะกรร ม, มาศาสตร์อย่างที่ได้พูดแล้วว่าโครงที่ค้นพบนั้นเนี่ย เ, เจอในห้องสมุดของภาควิชาวิศะวะกรรมโยธาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงใช้คํานี้เลยว่าเลือดหมูจากดํารงสืบได้คือแล้วก็มีการใช้คําในเชิงเปรียบเทียบผองพวกรักร่วมไว้ดุดแม้นฟันเฟืองการใช้ อุปมาว่าดุดแม้นฟันเฟืองก็สะท้อนให้เห็นถึงสั ญ, ญลักษ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษ์ของรูปรูปเฟืองซึ่งมีฟันเฟืองอยู่ด้วยเนี่ยถ้าหากว่าจะก้าวต่อไปได้จะหมุนต่อไปได้เฟืองจำเป็นจะต้องมีฟันที่มันครบถ้าหากไม่ครบฟันไห น, ม, นหมันหล่อมันหักไปเฟืองนั้นก็คงจะเดินต่อไม่ได้ มาถึงตัว s ซึ่งเป็นตัวที่5ของคำว่าโสตสนั้นย่อมาจากคำว่าสปิริตสปิริตถ้าจะแปลว่าจิตวิญญาณมันก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากับบริบทของโสตสสักเท่าใดเอาเป็นว่าพอเราพูดสปิริตคนสมัยใหม่ก็เข้าใจแล้วละ่ะคือเรื่องน้ำใจเรื่องการฝึกจิตใจเรื่องของการเสียสละทำในสิ่งซึ่งมันถูกมันต้อง ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเรามีสปิริตมีจิตใจที่มั่นคงเสียสละอะไรต่ออะไรแล้วแล้วก็สังคมก็จะอยู่ได้ด้วยความเป็นธรรมในโครงสีสุภาพบันทึกไว้ว่าสละซึ่งกายจิตได้เป็นดีเรียนเด่นเล่นควรมีคระเขาน้ำใจยิ่งต้องมีเป็นหนึ่งร่วมกิจกรรมเช้าแบ่งบ้างตามการ ในนี้ก็สะท้อนใ้เห็นว่าสมัยก่อนนั่นก็แปลว่าออคงจะเน้นเรื่องของการเรียนเป็นหลักเพราะใช้คาว่าเรียนเด่นแต่เล่นควรมีคระเ้าก็ไม่ใช่บ้าเรียนอย่างเดียวหรือจะบ้าเล่นอยู่อย่างเดียวร่วมกิจกรรมเช้าแบ่งบ้างตามการแปลว่าออกิจกรรมก็มีตอนเช้าหรือตอนไหนก็แบ่งแบ่งกันไปเพื่อที่จะ เรียนด้วยแล้วก็ร่วมกิจกรรมด้วยถ้าจะใช้คำว่าเล่นก็ไม่น่าประหลาดอะไรความหมายของโซตัสทั้ง5ตัวนั้นเนี่ยซีเน o r ์ริต r d ออ t ดอร์เ i รดดิ i ันยพอมาใช้กับบริบทของสังคมไทยอะไรอะไรก็เปลี่ยนถามว่าแล้วมันเริ่มต้นมาจากที่ไหน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 โซตัสที่พูดกันก็เพราะว่าช่วงนี้นี่บางมหาวิทยาลัยก็กเปิดไปบ้างแล้วบางมหาวิทยาลัยก็เตรียมเ ต, ตรียมที่จะเปิดในตอนต้นๆภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษานั้นเนี่ยก็จะมีข่าวคราวออกมาเรื่อยเลยเกี่ยวกับเรื่องของการรับน้องโหดบ้างการรับน้องไม่ดีบ้างไไม่ค่อยจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการรับน้อง หรือถ้าจะมีก็อาจจะไม่ค่อยจะคลึกโครมเหมือนกับข่าวที่ไม่สู้จะดีเท่าไหร่คนไทยเอาโซตัสมาจากไหนตามประวัติขอบคุณข้อมูลจากวิกิด้วยว่าได้คนขวามาให้พอประมาณการที่เรารับเอาเอาวัฒนธรรมแหมไม่อยากใช้คำว่าวัฒนธรรมเลยรับเอาหลักของโซตัสเข้ามาเนี่ย มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ที่มีการตั้งโรงเรียนมหาเล็กหลวงซึ่งในเวลาต่อมาก็คือวชิวราวุธวิทยาลัยนั่นแหละแล้วต่อมาก็มีการตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งก็กลายมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมาสองสามที่นี่ก็เอาระบบโซตัสเข้าไปใช้ตั้งแต่ที่มีการบันทึกคือ23กันยายนสอ4พน่รนั่นก็แปลว่า ร้0กว่าปีแล้วละ่ะเริ่มแรกเมื่อยังเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั้นเนี่ยการนำเอาระบบโรงเรียนกินนอนของอังกฤษซึ่งเรียกว่าเป็นพับ c s ิกส o ูคือพับ c s ิกส o ูหรือโรงเรียนกินนอนเนี่ยนคนไทยเราไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราเรียนกันในวัดเมื่อเรียนในวัดพ่อแม่ก็ส่งลูกไปเรียนกับพระกับเจ้าแล้วก็เย็นก็กลับมา แล้วก็วันเวลาในการเปิดปิดอะไรมันก็ไม่ได้มีระบบที่แน่นอนอะไรเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ทำกเกษตรกรรมเยอะเมื่อทำเกษตรกรรมทุกอย่างมันก็ต้องอิงเรื่องของฤ ด, ดูกาลเป็นหลักในสมัยก่อนนั้นเนี่ยการเรียนก็อาจเป็นไปได้ว่าครูบาอาจารย์ซึ่งก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนจาก พระอาจารย์นั่นนะนะมาเป็นครัวอาจารย์ทั่วไปถึงขนาดต้องหิ้วกระเป๋าไปสอนตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าเด็กไม่มีเวลามากพอที่จะเดินทางไปเรียนในโรงเรียนซึ่งก็อาจจะไกลบ้านของตัวเองด้วยลักษณะของการเอาระบบโรงเรียนกินนอนเข้ามาใช้อย่างที่เรียกว่าเป็น Facking System เข้ามาใช้เนี่ยมีการตั้งคาขึ้นมาคือตั้ง ดะด ด, ด, ดรุนานัตอันนี้ก็ภาษาอังกฤษใช้ว่า perfect, f a c t master อะไรประมาณนี้นะครับโดยวิธีการตั้ง ด, ดรุณานัตนั้นเนี่ยก็คือดารุณไปสนทิกับคำว่าอานัตนั่นแหละก็คือการสั่งการอะไรเด็กๆนั่นแหละครูในโรงเรียนจะเลือกนักเรียนอาวุโสคำว่านักเรียนอาวุโสก็ เข้าใจเอาเองว่าคงจะเป็นนักเรียนชั้นระดับที่สูงหรืออาจจะสูงสุดก็ได้นักเรียนอาวุาโสที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะคัดเลือกจากคนที่เรียนดีประพฤติดีเข้ามาเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลควบควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนการดูแลนั้ น, นอาจจะวางกรอบให้นักเรียนรุ่นน้องต้องประพฤติอยู่บนหลัก พื้นฐานของโซตัสซึ่งประกอบด้วยอาวุโส ổ, ระเบียบประเพณีสามคัคคีน้ำใจระบบนี้นี่จากการบันทึกบอกว่าเป็นระบบที่เอื้ออำนาจให้แก่ครูอย่างแท้จริงในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาปกครองนักเรียนอีกทอดหนึ่งถ้าหากว่าฟังถึงตรงนี้อาจจะต้องคิดตามว่า การที่เราเลือกนักเรียนมาปกครองนักเรียนอีกทอดหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีประการใดด้วยมุมมองส่วนตัวคิดว่าให้นักเรียนปกครองนักเรียนอีกทอดหนึ่งก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าวัยเขาไม่ต่างกันมากการไม่ต่างกันมากก็อาจจะพูดคุยกันได้รู้เรื่องด้วยภาษาเดียวกันแต่ขณะเดียวกันการให้อำนาจกับตัวแทนนักเรียนอันนั้นอาจจะอีกเรื่องหนึ่งว่าให้ไป มากหรือน้อยมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือโรงเรียนแบบกินนอนที่ว่าในเวลาต่อมาพ อ, อยกระดับโรงเรียนค่าราชการพลเรือนขึ้นมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยการที่มีโรงเรียนค่าการพลเรือนนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะการการเปิดสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันยังไม่เกิดพอเกิดก็ปรับ จากโรงเรียนมาเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งจุฬาก็นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกร้อยกว่าปีออข้าราชการพลเรือนที่มาเรียนอยู่ในนั้นเนี่ยเรียนระดับชั้นปริญญาซึ่งจําเป็นจะต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ในนั้นจึงเรียกผู้ที่เรียนอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่านิสิตโดยรูปคําว่านิสิตแปลว่า ผู้อยู่อาศัยสําหรับผู้ชายเรียกนิสิตผู้หญิงเรียกนิสิตาอันนี้เป็นลักษณะของภาษาบาลีสันสกฤตสละอะสละอาสล ะ, สละอุสล ะ, อ, สละอีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจะบ่งบอ ก, บอกเพศเช่นดรุณหมายถึงเด็กผู้ชายดรุณีหมายถึงเด็กผู้หญิงบุตรหมายถึงลูกชายบุตรีหมายถึงลูกสาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าในเวลาต่อมามหาวิทยาลัย อ, อื่นๆซึ่งมีหอพัก ให้กับผู้ที่มาเรียนจึงเรียกนักศึกษาของตัวเองว่านิสิตเช่นนิสิตของมอสวนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่อื่นๆก็นิยมที่จะเรียกกันว่านักศึกษาอาละล่ะพอมีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นก็นาเอาระบบโซตัสเข้ามาอบรมสั่งสอนนิสิตในยุคแรกเพลง เกียรติภูมิจุลาสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระบบโซตัสเพลงนี้นี่ในประมาณปี2510ศาสตราจารย์วิกรมเมาลานนท์ซึ่งเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงบทนี้นี่เอาอุดมการณ์ทั้งหมดของโซตัสมาไว้ในเพลงเกียรติภูมิจุลามีท่อนหนึ่งบอกว่ามาเถิดมาพระราดาจุลาทุกแหล่ง มาร่วมแรงร่วมรักและสามัคคีอาวุโสเทิดไว้น้ำใจระเบียบเรานี้พร้อมประเพณีเสริมให้มีแต่วัฒนาขอภัยที่ไม่ถนัดที่จะร้องออกมาเป็นเพลงผู้ที่สนใจจะฟังเพลงนี้ก็รบกวนไปเปิดใน YouTube หรืออะไรก็ได้ก็น่าจะมีชื่อเพลงว่าเกียรติภูมิจุลาในนั้นบอกชัดเจนคืออุดมการของโซตัส ซึ่งลักษณะของการที่บรรจุเข้าไว้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าในประเทศไทยเราคงจะใช้โซตัส์กันมานานจากจุฬาก็ทีนี้ก็เริ่มกระจายกระจายไปเริ่มถ่ายทอดกันไปสถาบันที่เอาไปใช้เนี่ยนะในบันทึกนี่บอกว่าเป็นระบบรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งต้องเรียกว่า ในเวลาต่อมาเรียกเป็นระบบวากเนี่ยนะในตอนต้นๆเนี่ยไม่ได้มีคำว่าระบบวากแต่อย่างใดหรอกจนถึงปัจจุบันหรอกถ้าหากว่าเราเได้ดูดูหนังดูละครทางสถานีโททัศน์ช่องใดก็ไม่แน่ใจเสียแล้วมีซีรีส์เรื่อง เ, อเรื่องราวเกี่ยวกับโซตัสชื่อเรื่องว่าพี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง พูดอย่างนี้ก็คงจะมีหลายคนที่ถึงบางอ้อว่าอ๋อก็เคยดูบ้างแต่ว่าลักษณะของการนำเมามาเป็นบทละครในสมัยใหม่นั้นก็เป็นสายวายไปซะ ง, งั้นที่อันนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดในประเด็นเนื้อหาของพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งมาพูดกันต่อว่าจากประวัติที่จุฬาตั้งต้นเอามาใช้เนี่ยนะก็แพร่กระจายไปนำโซตัส เข้าไปใช้ร่วมกับการวักนี่ต้องยอมรับว่าในตอนต้นๆนั้นโรงเรียนป่าไม้ภาคเหนือหรือวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจในเวลาต่อมาก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นเองการเอาไปใช้นั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ในยุคบุกเบิกของแม่โจนั้นจบมาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมลอสบานยอส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ในตอนนั้นเนี่ยยังตกอยู่ใต้อำนาจของเจ้าอาณานิคมซึ่งก็คืออเมริกาอาจารย์หลายคนหมายถึงหลายคนในแม่โจ้นั้นเนี่ยถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยโอริกอนมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่สหรัฐอเมริกาซึ่งคอร์เนลนี่แหละที่เป็นต้นฉบับของการวารกและจึงส่งอิทธิพลต่อไปยัง มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ก็คือวิทยาลัยเกษตรกรรมรอสปานิอสที่ว่านี้เช่นประเพณีเรื่องของการปีนเสาประเพณีธรรมเนียมที่เจ้าอาณานิคมก็คืออเมริกานํำมาเป็นเครื่องมือใช้กํากับประเทศใต้อนาณานิคมอันนี้คือในยุคตน้ตน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 I'm n a saint.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 คุยกันต่อว่ด้วยเรื่องโซตัสหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบโซตัสเกษตรแมโจโใช้ระบบวักเข้ามาร่วมด้วยนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรมาถึงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก่อตั้งในปี2486ในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยกเกษตรศาสตร์ก็รับนักศึกษาจากแมโจมาเรียนต่อ นั่นกับหมายความว่าการวากก็ถูกถ่ายทอดมาอย่างเกษตรศาสตร์โดยปริยายโดยความเชื่อในรุ่นนั้นเชื่อกันว่าการกดดันรุ่นน้องนั้นจะช่วยละลายพฤติกรรมเพราะว่าน้องมาจากทั่วสารทิศนอกจากนั้นยังช่วยให้อยู่รวมกันได้ช่วยลดทอนความต่างของฐานนะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมอะไรกันนี่เป็นหลักการในตอนนั้น คําบอกเล่าของศาสตราจารย์ระพีสาคริกซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นเล่าว่าเมื่อรุ่นน้องปีหนึ่งไปปรับทุก์กับอาจารย์ที่จบมาจากเมืองนอกก็มักจะได้รับคําตอบกลับมาว่าเอา้าปีหน้ามันก็ตกถึงทีเธอบ้างละ่ะไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรไปหมาก็หม า, มารุ่นน้องอาจจะ ไม่ค่อยที่จะคุ้นชินกับระบบวากนั้นก็เป็นไปได้การที่ใช้ระบบโซตัสเข้ามาในเมืองไทยนั้นเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วกระจายไปแม้นกระทั่งถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าการใช้โซตัสการรับน้องจะถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ละแต่บังเอิญว่าโซตัสมาพร้อมกับ รับน้องรับน้องมาพร้อมกับการวากมันก็เลยปนเปกันไปใหญ่โซตัสเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มาเบ่งบานอยู่ในแถบนี้มาเติบโตอยู่ในเมืองไทยท้ายที่สุดโซตัสกลับกลายเป็นโซตัสแบบไทยสไตล์คือแบบสไตล์แบบคนไทย ในเบื้องต้นนั้นโดยความเข้าใจในฐานะของคนที่ก็เคยเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงนั้นเนี่ยตอนไปเป็นน้องใหม่ปี2524 2524ต้องนับว่ายังไม่ถึงทศวรรษของการของการของการที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองคือเหตุการณ์ตุลาปี16 ก็ยังไม่ได้ครบ10ปีด้วยซ้าไปลักษณะของอโซตัสตอนที่ตัวเองเรียนนั้นก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยนี้แล้วก็มาเรียกเป็นโซตัสนู่นนี่นั่นอะไรเหมือนอย่างซีรีส์ที่เอามาทําแล้วก็ใช้คําว่าโซตัสซีรีส์เพราะฉะนั้นภาพของโซตัสมันอาจจะไปถูกฝังไว้ในในความรู้สึกของคนอื่นว่าโซตัสมาพร้อ ม, พ ร, อมพร้อมกับ ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเช่นเรื่องความรุนแรงของการรับน้องกลายเป็นประเด็นที่สังคมเริ่มจะให้ความสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีอีกไม่นานละก็คงจะมีเรื่องข่าวว่ารุ่นพี่รับน้องทำให้รุ่นน้องกดดันมากบางคนถึงขนาดรุ่นน้องฆ่าตัวตายนี่คือความรุนแรงสูงสุดเท่าที่ เห็นมาการจะกล่าวอ้างว่าการเคารพผู้อาวุโสต้องทําตามคําสั่งของรุ่นพี่นั้นนี้มันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรแต่การที่เราทําอะไรไปแล้วโดยไม่ได้คํานึงถึงหลายเรื่องที่พูดว่าหลายเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องหนึ่งคือเรื่องสิทธิมนุษยชน มีเพจชื่อ a n t i s o t ซ s ปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเพจที่ต่อต้านเรื่องระบบการรับน้องรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นอันนี้นี่มองกันในแง่ของข้อดีของระบบ s o t ั s ถ้าจะมองในแง่ที่ดีๆให้เครดิตกับโซ t ั s us, เนี่ยมันทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องสนิทกัน เพราะว่ารุ่นพี่สามารถปกครองรุ่นน้องได้ตามระบบอาวุโสแบบไทยๆรุ่นพี่รุ่นน้องสมัครสมานสามัคคีในการทํากิจกรรมร่วมกันผูกพันกันมากขึ้นสามารถคุยได้หมดทั้งเรื่องเรียนเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวอื่นๆ อ, อะไรเงี้ยช่วยกันพัฒนาชีวิตของความเป็นนิสิต น, นักศึกษาให้มันไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เหมือนอย่างรุ่นพี่ก็มารับน้องรุ่นพี่ก็อาจจะถามละว่าเรียนวิชาอะไรบ้างอ๋อมีระบบพี่ รหัสน้องรหัสพี่เทคอะไรเข้ามาก็มาช่วยกันดูแลน้องจะถามว่าขาดเหลืออะไรไหมหนังสือวิชานั้นวิชานี้อ่าเดี๋ยวเอาของพี่ไปไหมเรียนกับอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้วิชานั้นวิชานี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะอาจารย์คนนี้นี่สตริกเรื่องการเข้าชั้นเรียนอาจารย์คนนี้เป็นคนสบายสบายอาจารย์คนนี้ไม่ชอบให้นิสิตนักศึกษาไปโต้เถียงนั่นนี่คือเรื่องที่ ถ้าจะมองในแง่ของความดีงามของระบบโซตัสมาถึงข้อด้อยของอนุญาตไม่พูดว่ามันเป็นข้อเสียล่ละแต่มันก็คือข้อด้อยของระบบโซตัสก็คงเหมือนกับสปปรรพสิ่งในโลกนี้อะไรที่เกินไปอะไรที่เกินเลยปัญหาย่อมตามมาแน่นอนเอาคำว่าเกินไปไปต่อท้ายคำไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นที่ผ่านผ่านมานั้นเนี่ย ไม่ใช่ระบบโซตัสไม่ดีแต่คนที่นําระบบโซตัสไปใช้ในทางที่ผิดต่างหากนี่คือข้อที่เป็นข้อด้อยสําหรับระบบโซตัสถ้าหากว่าเราเข้าใจระบบโซตัสมันก็จบแต่ให้บังเอิญเหลือเกินว่าหลายคนเรียกว่าโซตัสโตโซตัส โดยตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโซตัสย่อมาจากอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงเวลานี้นาทีนี้นักศึกษารุ่นใหม่บางคนและบางกลุ่มก็กล้าจะลุกขึ้นมาปฏิเสธระบบโซตัสผู้หลักผู้ใหญ่ของอวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเองก็พยายามจะปรับเปลี่ยนตั้งแต่ทัศนคติ เรื่อยไปจนกระทั่งกิจกรรมเช่นเรียกรุ่นพี่มาคุยกันก่อนหนึ่งห้ามวากน้องสองให้รุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องได้และก็ให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นกิจกรรมซ้อมเพลงเชียร์จะต้องอยู่ในเวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าหากจะรับน้องจะรับน้องเลอะรับน้องเถอะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็จะต้องมีเหตุมีผลในการรับน้องนั้น อย่าไปขู่เข็นอะไรมากมายรับน้องรุนแรงไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสไม่ได้บางที่ถึงขนาดว่างั้นก็มาทําโครงการกิจกรรมรับน้องแบบจิตอาสาไปเลยเป็นกิจกรรมรักน้องไม่ใช่กิจกรรมรับน้องกิจกรรมรักน้องอาจจะไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้ไหนๆก็มาสามัคคีกันอยู่แล้วไปลอกคลองบ้าง ไปกวาดถนนบางไปตัดกิ่งไม้ที่มันล้มออกมาในถนนไปทาสีรั้วไปอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าที่จะไปรับน้องเลอะเทอะอะไรซึ่งก็ไม่มีเหตุไม่มีผลอาจจะอยู่ที่ความสนุกสนานคือเท่าที่เจอมาถ้าน้องเล่นด้วยน้องสนุกด้วยก็ไม่มีปัญหานะครับ ไม่มีปัญหาเลยในวันนั้นก็จะบอกน้องเลยว่าวันรับน้องเนี่ยก็จะบอกน้องก่อนล่วงหน้าเลยว่าเอาเสื้อยืดเลอะๆมาสักตัวหนึ่งเอากางเกงวอร์มกางเกงยืดอะไรก็ได้มาเพราะมันเลอะมากได้แล้วเอาละด่านที่หนึ่งรุ่นพี่ก็จับน้องวัดหน้ า, าตาผูกวดจุกเอาสีเอาสันมาป้ายไปป้ายมาแล้วก็เดินไปตามซุ้มเป็นด่านเป็นด่านไป แต่ละด่านนั้นก็ถ้าเผื่อว่าให้ความเป็นธรรมเขาก็อาจจะมีเหตุผลในการที่ ท, ที่รับน้องด้วยวิธีอย่างนั้นเช่นก็ขึงลวดหนามต่ำๆแล้วให้น้องคลานลอดลวดหนามนั้นไปคือลอดดีก็ดีลอดไม่ดีหลังลูกเขาจะโดน ลวดหนามมันต่ำออนสลันนะมันขีดมันขวนเข้าสรันนะพอไปถามบอกหนูทำไมจะต้องทำขนาดนี้มันอันตรายเด็กก็จะมีมุมมองของเขาเช่นว่าก็อาจารย์ต้องสังเกตนะว่าสังคมทุกวันนี้มันเต็มไปได้วยอุปสรรคขวางน้ำถ้าเผื่อว่าน้องไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตอนน้องไม่ผ่านอันนี้ไปให้ได้ชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรอะไรก็แล้วแต่ เราจะเป็นการเอาผลไปชนเหตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบปัจจุบันนี้กระแสของการที่ไม่อยากจะร่วมกิจกรรมรับน้องก็อาจจะมีนะครับที่บอกว่าไม่อยากร่วมก็เพราะว่ามันมีเรื่องของความความรุนแรงเรื่องของการวักน้องขึ้นมาถ้าหากว่าเราตีกรอบให้มันเหมาะสมการรับน้องเป็นเรื่องที่ดี แสดงถึงความรักของพี่ที่มีต่อน้องไปเห็นเด็กอนุบาลเด็กปถมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการรับน้องกันเกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะโลกโซเชียลอาจจะเรื่องของการบอกต่อเรื่องของความสนุกสนานเป็นที่ตั้งก็เลยเกิดการการทาขึ้นมาแล้วเรียกกันว่าเป็นประเพณีซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าประเพณีเท่าไหร่ถามคาถามรุ่นน้องว่า รู้สึกอย่างไรถ้าหากว่ารุ่นพี่วากกับน้องน้องบางคนพื้นฐานชีวิตจิตใจเขาไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเขาว่า จ, จะรับไม่ได้การที่พี่มาวากเขาบางคนมีเหตุผลในแง่ของเรื่องของศาสนาเช่นชาวมุสลิมไม่สามารถร่วมในบางพิธีได้พิธีทั้งหลายบางทีก็ไปเรียกเป็นพิธีกรรมซึ่งมันก็ไม่ใช่พิธี กรรมอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นวิธีหรือพิธีบางอย่างเท่านั้นเองบางคนเขารับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้เกิดการวิาพากวิจารณ์กันเกิดขึ้นหลายคนทีเดียวที่ผ่านชีวิตตรงนี้ไปไม่ได้หลายคนบอกว่างั้นก็ไม่เรียนแล้วถ้าที่นี่มีการรับน้องแบบนี้ก็ไม่เรียนมีเยอะนะครับแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ตามใจลูก ไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องมีวัคซีนในการป้องกันอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตของลูกลูกไม่อยากเรียนก็ไปบางคนก็เป็นคุณหนูก็พากันไปสมัครในวิทยาลัย อ, อื่นสถาบันอื่นแล้วก็ต้องถามก่อนว่ามีระบบรุ่นพี่วาร์กรุ่นน้องมากน้อยแค่ไหนบางคนก็ไม่รับรุ่น กไม่รับรุ่นคือเขามีการวักการอะไรบางคนก็บอกรุ่นพี่เลยว่าก็ไม่รับรุ่นรุ่นพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่รับรุ่นก็ก็แล้วไปถ้าหากว่าในหนึ่งห้องสมมติอ่ะหนึ่งห้องห้าสิบคนไม่รับรุ่นซะห้าคน4 5ห้าคนนั้นหากมีใจเป็นธรรมก็ยังยอมรับเพื่อนได้เป็นเดียบเพียงว่าพอเขาไปรับน้องวักวกอะไรกันเราก็แค่ไม่ได้ไปร่วม เขานั้นห้าคนนั้นก็ไม่ได้ไปร่วมซึ่งสี่สิบห้าคนก็ย่อมจะต้องเข้าใจเพื่อนถึงเวลาเรียนก็จะจับกลุ่มกันได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องของการรับน้องรุนแรงการวักน้องซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าหากว่าํำเพื่อข ำ, ขำหาำหฮาฮก็ต้องมีเหตุมีผลที่จะทำอย่างนั้นอย่ามาเสียใจกันในภายหลังว่าก็ไม่ทันจะได้ไปย้ำนักศึกษา แจ้งนักศึกษาแล้วแต่นักศึกษาก็ยังดื้อหรืออะไรเงี้ยเป็นปัญหาที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นวันนี้ก็พูดกันเรื่องของโซตัสตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงท้ายของรายการได้เวลาอันสมควรแล้วคงต้องจากลาสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการเพลินภาษานาณาสาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ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 ก็ไม่มีใครเขาบอกเธอแค่นี้และอขายังหลอกเลยแค่ไม่ได้คิดว่าก่อนเคยเป็นยังไงเลยพระเอกก็ไม่ได้พิเศษเสมอไปเลยแสนดีเลิกเลิกอย่างที่เข้าใจกับที่คิดไวใดๆ I don't wanna take your time แล้วหลงรักเธอจะละลาย Oh baby girl I just wanna get you hold tight to love